ถ้าเจริญพรยมเรายังอุตสาหรอดมาเจอกันในเดือนนี้ได้อยางไม่เป็นหวัดเพวกเราสนใจมาศึกษาธรรมะกันธรรมะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขมีประโยชน์ได้เรียนธรรมะรู้จักวิธีแต่รองชีวิตอยู่กับโลกอย่างมีความสุขทุกน้อยๆนะ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 จะช่วยให้เราพดโลกไปเป็นลําดับลําดับเะงั้นธรรมาน่เรียนแล้วได้รับประโยชน์ได้รับความสุขพระพุทธเจ้าท่านถึงสั่งว่าพระสาวก ข, ของท่านโดยเฉพาะพระอาหารหันทรุ่นแรกๆท่านสั่งบอกให้แยกย้ายกันไปประกาศธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนจนํานวนมาก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 อันนี้มีโลภะเจตนาซ่อนอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติมีความโลภนะโลภอะไรโลภอยากจะดีอยากจะรู้สึกตัวอยากจะให้เกิดสติอยากจะให้เกิดปัญญามีความโลภอยู่สใดที่ยังมีโลภะอยู่เนี่ยสติแท้ๆไม่มีหรอกสติแท้ๆไม่เกิดร่วมกับโลภะหรอกนะนี่เราต้องหัดจนกระทั่งจิตมันเคยชินที่จะเกิดสติหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้ววันหนสติเกิดเอง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 งั้นการที่พวกเราจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกตรงนี้บ่อยๆนะจิตจะเก Fl ิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ตัวเนี้ประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยสติอัตโนมัตินะประกอบด้วยสมาธิอัตโนมัติสมาธินี้ไม่ได้จงใจให้เกิดไม่ได้จงใจประคองไม่ได้จงใจบังคับเอาไว้สมาธิเกิดเองสมาธิที่ยังจงใจบังคับอยู่ใจฉันแน่นๆอย่างที่พวกเราหัดสมาธิกันนะอย่างบางคนนั่งหายใจหายใจ นั่งเราก็แน่นแนขึ้นมานะอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็เราท้อเราถุยเสลิมไปนะขาดสตินั่งแล้วแน่นๆเนี่ยนะอัดไว้ไม่ใช่สมาธิที่ดีนะแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตห ล, ลงไปคิดนะจริงแต่ตั้งมั่นขึ้นมานั้นเราเรียนกรรมฐานนะเอาง่ายๆเลยง่ายสุดๆเลยนะไม่รู้ว่าอะไรจะง่ายกว่านี้อีกแล้วต่อไปนี้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ฝึกบ่อยๆ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 ฝึกมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะรูปไม่ใช่เรานะไม่มีเราในรูปไม่มีเรานอกเหนือจากรูปไม่มีเราที่ไหนในที่ใดเลยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสักแต่ว่าสภาวะรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเน่ใจจะเห็นความจริงตรงนี้้าใจมันเห็นความจริงตรงนี้นะมันจะเริ่มคลายความยึดถืออยู่